ข้า บ, บุทาพระตนทรัยก้บบาพาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทียนหลวงพ่อคาเขียนข้ากาบคาระวะหลวงพ่อกุ่มอาจารย์วัฒนชัยอาจารย์เฉชัยอาจารย์อาจาร่าเพื่อนสาธมิกแล้วก็เจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็ยายดูมทุกคนน้อง ก็นั่งกันตามปกตินะ ก, ก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับนะสมาชิกใหม่นะที่เพิ่งมาถึงเมื่อช่วงบ่ายสองมงูลนะซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลบวใหญ่นะจังหวัดนคะรราชสีมานะมาร่วมปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตกับพวกเรานะประมาณสัก3หรือ4วันนะก็ถือว่า ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยก็เป็นบ้านของพวกเราก็แล้วกันเนาะตามคําพูดของหลวงพ่อคําเขียนนะที่บอกว่าที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้านะมีแต่ญาติที่ผู้รู้จักกันเพราะนั้นมาถึงที่นี่ก็ให้สบายใจนะขาดหรืออะไรก็ให้บอกกันนะดยที่โยมสุนทรีก็บป็นทู้ประสานงานนะในส่วนของพวกเรา นะที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตแล้วนะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะที่เราจะมาเริ่มกันทำวัดสดนนะแล้วก็ฟังธรรมกันนะตอนเช้าตอนเย็นนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะตรงกับวันพระรบสปบฏี่แปดพฤษภาคมสองพัน้าร้อย7้าซึ่งก็ ออถือว่าเป็นช่วงเดือนสําคัญนะของชาวพุทธเราในอาทิตย์หนะ้าก็จะเป็นช่วงสัปดาห์วิสาขบูชานะซึ่งเป็นสับดาห์แห่งการตัดสรู้นะของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวพุทธเรานะก็มีความเชื่อมั่นศรัทธานะว่ามนุษย์เรานั้นสามารถที่จะเ อ, อเอาชนะ นะความทุกข์ไดนะ้ซึ่งแต่ก่อนนะนะก็ไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นเนะจ้าชายิทธัตะเป็นคนแรกนะที่ได้ค้นพบวิธีการนะที่จะหลุดพ้นนะจากความทุกขนะ์ที่มีอยู่ในใจเพราะนั้นการมาวัดป่าสกตโตของพวกเราก็ควรจะมีจุดมุ่งหมายนะเหมือนกับเจ้าชายิทธตะในครั้งพุทธกาลนะก็คือ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะทำอย่างไรในที่จะพ้นไปจากสิ่งที่มาเาบีบลัหรวอมาครอบงำจิตใจของเราในให้อึดอัดขัดเคืองทำให้เรารู้สึกไม่เป็นอิสร ะ, ะโดยเฉพาะยิ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความทุกข์ทงกายเนี่ย ไ, ไม่ค่อยเท่าไหร่ เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ยากอย่าเช่นเราหิวเราเราก็กินเราร้อนเราเราก็มีพัดลมเป่าเราปวดเราเมื่อยเราเราก็เปลี่ยนเอเรียบทได้แต่ความทุกข์ในใจที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลความเครียดมาความอะไรอาวรบนรือความ ตื่นตกใจนะอย่างตอนนี้ที่เราได้ข่าวที่จังหวัดเชียงรายเมื่อไม่กี่วันมานี้นะก็เกิดแผ่นดินไหวนะเราดูไกลเราก็คุณจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะีหรืออย่างตอนนี้นะเราก็ได้ข่าวเรื่องการเมืองซึ่งก็ดูจะไม่ค่อยจะสงบสุขเท่าไหร่นะนะเป็นความน่ากังวลที่น่าจะเกิดขึ้น นะซึ่งในส่วนของเราที่อยู่วัดป่าสกโ ต, โตเราก็จะไม่ครู้สึกเท่าไหร่เพราะอยู่ไกลซึ่งอันั้นก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติบ้างเกิดจากมนุษย์บ้างนะแต่ภัยที่ใกล้ตัวเราก็คือภัยในจิตใจของเราเนี่ยแล้วนะก็กือความทุกขนะ์ความไม่รู้เท่าทันนะกับความคิดไม่รู้เท่าทันอารมณนะ์ที่มันเกิดขึ้น อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันยาก็เลยบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลยาก็บางทีก็ว้าวหลยไม่เหงาเศร้าซึมซึ่งก็เป็นอาการของความทุกข์ทางใจงที่มันมีอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำแต่มันก็ไม่ได้มาตลอดหรอก มันก็มาเป็นบางครั้งบางคราวแตนะ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มันเราไม่ได้เิยหน้ากับมันอย่าง่างรู้เท่าทันเนี่ยนะมันก็จะครอบงำเราอยู่แล้วก็จะทำให้เราตกจนอยู่ในความทุกข์น่ะอยู่ในวังวนน่ะของความทุกข์นี้นะซึ่งภาษาบาลีก็เรียกว่าสังสารวัฏนั่นเองเป็นภัยใกล้ตัวนะภัยจากสังสารวัฏ แล้ก็คือภัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะเพียงแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตนะทอนี้เมื่อเราไม่ได้สังเกตเนี่ยมานะเราก็จะเข้าไปอรักสุขเกลียดทุกขนะ์เวลาเรามีสุขเราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆนเนะมื่อมันหายไปแล้วก็หงุหามัน อยากได้มันอยู่กับเราตลอด น, นี่ก็คือรักสุขเปลียดทุกบางทีมันก็มีความเครียดมีความไม่ตกตเป็วลมีความฟุ้งซ่า น, นคิดนู่คิดนี่บางทีจะนอนก็ยังไม่ยอมวางเราก็รู้สึกไม่ค่ยชอบก็รู้สึกเกลียดผักไสอยากให้มันออกไปแต่มันก็ไม่ยอมไป น, นี่ก็เ ป, เป็นเป็นความทุกข์เป็นภัยที่เกิดขึ้นภายใน จิต ใ, ใจของเราถ้าเช่นนั้นเราจะทําอย่างไรตรงนี้ไม่เองอาจเป็นสิ่งที่เจ้าชายทิฏตะและแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นลหลังๆเนี่ยท่านก็ได้มาค้นพบว่าการที่เราจะแก้วความทุกข์มาที่จะเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้นภัยในตัวเราเนี่ยเราต้องกลับมาเรียนรู้มาที่กายที่ใจของเราเรื่องนี้สาคัญมาที่เราจะใช้ในการเรียนรู้เรื่อนี้นน นะเราเรียกมันว่าความรู้สึกตัวนะหรือการเจริญสตินั่นเองทีนี้การเจริญสติเนี่ยนะมันก็มีคำที่พูดเป็นทุกแยนะส่วนใหญ่ล้วก็จะพูดักกนว่าปฏิบัติทันบ้างภาวนาบ้างกรรมาฐานบ้างอาจจะเลือกที่อะไรก็ตามนะโดยสรุปแล้วก็คือการที่เรากลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเรานั้นเองนะซึ่งก็มีวิธีการหลายที่ผู มามากนาอยมานในพัดเตอรวิดีโอก็กล่าวว่เยอะมากในส่วนของที่ดัาน่าสุกโตเนี่ยเราก็ได้นำเอาวิธีการมาที่หลวงพ่อเทียนจิตชุโพมาท่านได้พูดได้มันเสนอไว้เมื่อประมาณห้าสิกว่าปีที่แล้วเขาเรียกว่าการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวซึ่งคนที่มานใหม่ก็อาจจะยังไม่คุ้นน รู้วมาถึงวัดป่าสุโกโตเห็นยกน้ายบมือกันนะแปลกดีนะ่ะเอ็วนามันต้องนั่งนิ่งๆไม่ใช่หรือนะมันต้องนั่งเงียบๆมันตงสงบไม่ใช่เหรอนะอันนั้นก็คือเป็นรูปแบบน่ะรือเป็นความจาที่เราเคยจากันมาน่ะซึ่งจริงๆนะ่ะวิธีกรรมันง่ายแคน่แ ะ, นะและที่นี่ก็อาจจะแปลกนะแปลกปกว่าัที่อื่นๆตรงที่เราจะไม่เน้นนะให้เรา สงบนุ่มหรือเรานั่งหลับตานุ่มไม่ต้องรับรู้อะไรนะนัะ่นน่นคือเป้าหมายของเราก็คือทำให้จิตมันสงบไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแต่ในความเปนจริงนะเนี่ยการที่เราไปทำให้จิตมันสงบนุ่งไม่คิดอะไรเนี่ยมันก็สบายดีนะมันก็มีความสุขนะแต่ว่า มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเทั้งนั้นเองน่ะเขาเรียกว่าเป็นการทําให้จิตสงบชั่วคราวเทั้งนั้นเองน่ะมันไม่เกิดปัญญาน่ะครูบาอาจารย์เรื่มันก่อนนี้นก็บอกว่ามันเหมือนกับเอาก้อนหินมาไปทับหญ้าหญ้ามันไม่งอกมันเหลืองมันไม่ตายอ่ะน่ะแต่ว่ามันก็จะอยู่แบบนั้นแหะแต่แล้เาเอาเหินออกเมื่อไหร่นะหญ้ามันก็งอกเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่า กิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหมงที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยที่มันเป็นความเคยชินนะที่มันเคยเคยชินที่จะเกิดเนี่ยเราไปนั่งสงบนุ่งนุ่งหลับตาเนี่ยมันก็เหมือนไปกลดมันเอาไว้ไปทับมันเอาไว้ไม่ให้มันแสดงตัวออกมาทีนี้พอเราลืมตาเราไปทำกิจวัตรประจําวันนู่นนี่มีเรื่องมากระทบทางตาบ้างทางหูบ้าง ทางหนุกทางจมูกบ้างาทางลิ้นทางกายนีม่มากระทบใจนมันก็ไม่ปกมันก็ไม่สงบละามันก็มีโกรธมีเกลียดมีรักมีชังมีร้อนรุน่มมีเครียดขึ้นมาเพราะนั้นการที่เรามานั่งสงบนุงน่งเนี่ยามันก็ยังไม่เกิดปัญญาถ้าอย่างนั้นจะทําอย่างไร ตีนีหลวงพ่อเทียนก็ได้มันเสนอไว้มาโดยการที่ให้เราเนี่ยมาเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องนั่งหลับนาไม่ไม่นิ่นั่งสงบนิ่งให้เราตื่นตัวนะการตื่นตัวนี้ก็คือการปลุกธาตุปุ๋คือความรู้สึกตัวให้มันตื่นขึ้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีนอยู่แล้วแนหะแต่ที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสติสามัญ นามื่สติที่เราจะมาใช้ในการแก้ความทุกข์ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงจำเป็นหน้าที่เราจะต้องมาฝึกกั น, นฝึกด้วยการเคลื่อนไหวาการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันมีความฉับไวขึ้นมาจากเดิมที่มันเป็นสติสามัญหรือสติตามสัญชาติตยา น, นาซึ่งเราใช้ในการทาการทางา น, งาน ใช้ในการพูดคุยใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสติที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสติที่ไวไวกว่าอารมณ์ไวกว่าความคิดนะการที่เรามีความทุกข์ในใจมีความสับสนวุ่นวายในใจนั้นก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองไม่รู้เท่าทันความนึกคิดของตัวเองนั่นเอง เพรนันตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวแก้มันก็คือความรู้สึกตัวนี่เองความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําขึ้นมาจริงๆไม่ได้ทำขึ้นมาหรอกนะเป็นเพียงแต่ว่าพัฒนามันให้มีความฉัดไวขึ้นการที่ใจความรู้สึกตัวมันฉัดไวแล้วไปนั่งนิ่งๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเตลมตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากไม่ใช่มันไม่ได้นะได้เหมือนกันแต่มันค่อนข้างยากโดยเฉพาะค น, นยุคปัจจุบัน ที่เราจะต้องเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่เราต้องเคลื่อนไหวอัะ น, นั้นตรงนี้เนะี่ยเราจะใสยการเคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นตัวที่ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาทีานี้นการเคลื่อนไหวเนะี่ยบางคนก็บอกก็เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันก็น่าจะได้นะอันนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันมันมันอาจจะไม่ชัดไมนเหมือนกับอ่อถ้าเราอยากจะ ว, ว่ายน้ําเป็นเนี่ย เราไปไว่า้ในทะเลเลยเนี่ยโดยที่เรายังว่างไม่เป็นเนี่ยโอกาสที่จม น, น้ำมีมากแต่ถ้าเราว่า้ในสระอ่อนนะก็คือฝึกมีครูฝึกมีสถานที่น้ําไม่ลึกมากเราฝึกไหวยน้ำนะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราชนานาญแล้วเราจรึงจะไปไหว้ที่ทะเลหร่อที่หนองกรงเป็ได้หั้นกากการฝึกเจริญสติเนี่ยนะเรามาทําที่ ที่วัดเนี่ยแล้วก็มีพี่เลีย้ยงคอยดูแลแล้วก็เราฝึกในรูปแบบเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้การการฝึกของเราเน่ยมันมีความก้าหน้าแล้วก็มันจะเกิดผลได้เร็วดีกว่าเราไปสุนซุไปทําโดยที่เราไม่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเจนเมื่ที่วัดป่าสุขโตเนเราจะมีรูปแบบการฝึกเจริญสติที่ชัดเจนก็คือการเจริญสติ การจเจริญสติในรูปแบบเนี่ยนามันจะมีที่เราเหน็นกันก็คือการยกมือ14จังหวะแล้วก็การเดินจงกรมอันนี้ในรูปแบบการที่เราต้องไปยกมือเนี่ยก็เพื่อที่จะให้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยน ม, มันปลุกความรู้สึกตัวที่มีแล้วให้มันตืมขึ้นมานามันก็คอยสังเกตนามาขณะที่เราพลิกเราก็รู้เรายกเราก็รู้เราหยุดเราก็รู้เราจะทําทำดนแบบอัตโนมัติ อย่าไปยกมือแบบอัตโนมัติหรือบางทียกไปคุยไปก็ไม่ได้เรื่องนะหรือว่ายกไปใจลอยๆก็ไม่ได้เรื่องพอัะ น, นั้นแรกๆเราต้องเจตนาเจตนาที่จะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวก่อนแรกๆมาจะเพ่งหน่อยไม่เป็น ไ, ไ, ไรเดี๋ยวมันปรับของมันเองต้องใส่เจตนาเข้าไปหน่อยอย่าไปทําแบบลอยๆเ ล, ยลื่อนๆซึ่งตรงเนี้ยนะถ้าลอยๆเลื่นๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะไม่ชัด น, นะ เพะนั้นตนี้นีคนเริ่มเต้นใหม่เนี่ยมีกคนเก่าก็ดูนะถ้ารู้สึกตัวว่าเอ๊ะมันไม่กระชับเน่ยเราช้บบชาลงนิดหนึ่งการยก ด, ดูน่ะยกให้ช้าเจตนาที่จะรู้สึกทีละขณะทีละขณะความรู้สึกตัวแรกๆนี่เป็นความรู้สึกทีละขณะทีละขณะอย่าไปจ้งใี้มันรู้ตลอดเวลานะแจ้งให้มัรู้ตลอดเวลาจะเครียดนะเพราะฉะนั้นรู้บ้างเผิดบ้างไม่เป็นไรผิดแล้วกลับมารู้ให้บ่อย มาจนเนี่ยมันจะเป็นธรรมนชาติทีนี้การที่เรามาอยู่วัดป่าสกตโตเนี่ยเป็นแค่สองวันสามวั น, นเนี่ยนะมันก็คงได้บ้างหลักแต่ว่าไม่เต็มที่ถ้ามาอยู่นี่ต้องสักเจ็ดวันเพราะในช่วงสองาวันแรกเนี่ยจะเป็นวันที่ปรับตัวแล้วก็ช่วงสี่ห้าวันหลังนี่จะเป็นช่วงที่เริ่มที่จะอยู่ตัวแต่กรามีเวลาเท่านี้นก็คงจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดผล อย่างเป็นที่คือว่าเกิดผลในที่นี้ก็คือไม่ต้องไปหวังผลนะแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่าด้วยการฝึกในรูปแบบอย่าไปพูดไปคุยมาที่นี่อย่าไปหวังไม่ไเจอเพื่อนใหม่หรือจะหลั ง, งสนธนาการทิ้งไปเลยเรื่องนี้ถ้ามัวไปสนธนาการไปพูดไปคุยไปโทรศัพท์อะไรงี้นะเสียเวลาละกลับไปูบ้านดีกว่ามาที่นี่เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยปิดเลย ตัดขาดจากโลกเลยการพูดพลีก็หยุดไว้ก่อนมาให้เวลากับเรื่องของการที่เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิเดมาที่นี่แล้วต่สุโขทัเนะี่ยเป็นที่สงบสงัด mm. เหมกับการที่เราจะปลีกยนวิเกที่จะดูดูตัวของเราดูกายดูใจของเราการดูเนี่ยเราไม่ได้ดูด้วยตานะเราดูด้วยความรู้สึกตัวที่เรียกว่าตาใจซึ่งความรู้สึกตัวนี่มันจะเกิดจากการที่เรา มารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวนี่แหละการยกมือการพลิกมือการเคลื่อนการหยุดให้มีเคลื่อนมีหยุดอย่าไปเคลื่อนแล้วไม่มีหยุดเห็นบางคนยกอัตโนมัติไปเลยเนี่ยเปนนี้เนะี่ยมันจะไม่ชัดมันจะพลาดให้มีเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะทีนี้นอกจากการสร้างจังหวะแล้วการเดินจมกลมก็เหมือนกันแต่นี่บางคนเดินวนไปคุยวนไปนะ นนเสียเวลาแล้วเดินมันวันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเดินนะเดินเนี่ยระยะที่เหมาะคือแปดถึงสิบสองก้าวอยายาวมากถ้าเดินยาวเนมันเพลนไปเดินสั้นมันก็เวียนหัวนะถ้าเดินยาวเนี่มันเพลินแล้วเดินกลับกลับไปกลับมาเนะี่ยบางทีมันจะได้เห็นความคิดชัดขึ้นเพราะฉะนั้นการจเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวก็ดี ด้วยการสร้างจังหวะก็ดีด้วยการเดินจงกุก็ดีมีจุดม่งหมายที่จะให้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายก่อนเพราะตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ใหญ่สิ่งที่เราเห็ไม่ชัดเรื่องหายใจเนี่ยมันเห็นนิดน้อยเรื่อหาวใจเนี่ยคนที่จะฝึกอานาพาสติได้คนนั้นต้องมีสติที่ดีมีสมาธิที่ดีจิตที่ละเอียดพอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เรามาเล่นของหยับหยาบก่อนนาะเดากายเคลื่อนไหวถ้ากายเคลื่อนไหวรู้ชัดแล้วดุลลมหายใจมันจะรู้ชัดเองนะเรารู้จักสิ่งที่มันหยับหยาบเนี่ยมันกับเราเรายิงทธนูหรือยิงเปืนเนี่ยถ้าเป้ามันใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะถูกจรงกลางเนี่มีมากแต่ถ้าเป้ามันเล็กนะเราใช้ลมหายใจเนะี่ยเป้ามันเล็กเนะี่ยโอกาสถูกมันน้อยแล้วมันมีโอกาสที่จะตอบผวางได้ง่ายนะสาหรับคนที่ใช้ลมหายใจ แต่ก็ไม่ได้หมายใคว่าการมาเจริญตัวด้วยการเคลื่อนไหวจะไม่เงื่อนมมันก็เง่อนเหมือนกันทุกพิธีมันจะเง่วงเพราะมันเป็นอารมณ์เบื้องต้นมาของคนปฏิบัติมาเขาเรียกว่ามิวร์นะที่มันมากางกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยอ่ะมันจะเป็นการเลือกเอาใจที่มันเคยไปหลงกับอารมณ์หลงกับความคิดหลงกับเรื่องราวข้างนอกตัวนะ่ย มันจะถูกเรียกกลับมาอยู่ที่กายหมายเรียกว่าใจกลับมาอยู่กับนิ้วกับ ต, ตัวหมาเส้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามาอยู่กับนิ้วกับตัวใจก็จะมาอยู่กับตัวเพราะใจมาอยู่กับตัวเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดนาของกายได้ชัดาอย่างที่เรานั่งมันนานมันปวดมันเนื่อยเราก็รู้อาการปวดอาการเมื่อยเราร้อนเรายนืนเราหนาว งานี้เราก็รู้มันเห็นชัดขึ้นแต่ตอนเมื่อมันเปิดมันเมื่อแต่เราไม่ก็ได้สนใจนา น, านี้มันร้มมนมันหนาวเราก็รู้นิดหน่อยหน่อยแต่มันอาจจะไม่ค่ชัดนะและทีนี้พอเรามารู้สึกตัวที่กายบ่อๆเนี่ยสิ่งที่ละเอียดอ่อนใกล้ๆตัวมันเห็นชัดขึ้นจมูกเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้กลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆในป่าเนี่ยมันมีตอนเช้า ถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเนีย่ยเราจะได้กิ่นมันหรืแม้แต่คนมาตีพึ่งเนี่ยเ อ, าอา่าทิ่ที่เมาตีพึ่งนันเนี่ยคนที่จะหมู่วเนี่ยมีความรู้สึกตัวดิจะได้กินเลยแต่ถ้าคนที่เมื่อไปสนใจเรื่องนอกจะไม่ได้กินเลยเพราะฉะนั้นเวมาตีพึ่งก็ตีได้สบายเลยอ่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราจเจริญสติมามารู้สึกตัวที่ก่ายขึ้นไหวก่อน เพิต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปในกายของเราอาการปวดอาการเมื่อยอาการร้อนอาการหนาวหรือบางทีขัน้นเมือขั้นตัวคนที่มาที่นี่ใหม่ๆเนะ่บางทีต้องปรับตัวนิดหนึ่งอยู่ข้างนอกร้อนมากมาที่นี่เย็นงานนี้บางทีมีเกรสรแบบไม้มันมีมแมลงมันคันเกาขยโยนะอันนี้คืออาการแพ้ซึ่งมันจะแพ้ช่วงหนึ่งไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็ปรับตัว ซึ่งตรงนี้เก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้จากความรู้สึกตัวนี่เองเพราะฉะนั้นจากกายที่ละเอียดเข้าไปเนี่ยงานมันจะเห็นลมหายใจที่มันชัดขึ้นหายใจออกหายใจเข้าเกลือ น, น้ําลายกระพริบตาเนี่ยบางทีเราก็กระพริบตางั้นแหละแต่เราไม่รู้ตัวแต่พอเรามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยได้กระพริบตามันก็เห็นมันก็รู้สึกเกลือ น, น้ําลายมันก็รู้สึกงานลมหายใจมันก็รู้สึก ซึ่งตรงเนี้ยพอเราดูไปบ่าย ๆ, ๆเนี่ยหรือมันจะวัาไว้แปบออกมาละความคิดเอ๊ะมาแล้วความคิดซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสังเกตนะหรือบางทีเมื่อเช้าอากาศเย็นสบายแล้วพออกพอใจแต่พอมาถึงตอนย็นนี้าานหัวขารโลน้าดูเลยหยุดหยุดไม่พอใจขึ้นมาเมื่อมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนเราไม่เคยได้ใส่ใจเราก็มีอจะพอใจไม่พอใจสุขทุกขชีวิตของเราเนี่ยมันก็สุขสุขทุกทุกเนี่ย พอใจไม่พอใจไปสาราหน้าไปกินอาหารถูกถูกปากเออก็พอใจไม่ถูกปากก็ไม่พอใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกจเจริญสติเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรา mm hmm. ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสัจธรรมหรือความจริงซึ่งทุกคนสามารถจะเห็นได้ เพระนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งนิ่ ง, งสงบให้สบายชั่วครั้งชั่วกะไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นเป็นเรื่หาความสุขชั่วคราวแล้วมันจะติดเอาไม่ง่ายแต่ถ้าเรามาฝึเกเจริญสตินี้เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจแรกๆเราก็ยังทําอะไรไม่ได้เราเพิ่งเห็นมันว่าเออนี่มันน่าพอใจอนี้ไม่ น, น่าพอใ จ, นนอใจเรียกว่าเรายังจมอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ แต่ถ้าเราเห็นบ่ยๆเห็นบ่อยๆ น, นะมันจะเกิดความรู้สึกอิดอัดหนักเราเข้าไปยึดไปถือมันโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนนี้เนี่แหละมันจะเกิดการที่เราจะรู้ว่าเออเราจะปล่อยวางมันยังไงเราจะจัดการกับมันยังไงเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เราต้องย้อนกลับมาดูที่ใจของเราจะไปมองเรื่อ ง, องนอกมากนะ เรื่องนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่แก้ปัญหาคือความทุกข์ความสับสนความวุ่นวายความเครียดงานที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้มันจะเกิดการคลี่คลายมาโดยสติที่เราฝึกนี่แหะามา ม, มันตัวคลี่คลายจากกายไปสู่ความพอใจไม่พอใจภาษาบาลีคือเวทนานะฮะนี่ภาษาอีกเรื่องฟิลลิ่งนั่นเองเวทนานนไม่ได้ไปแปลว่าหน้าสงสารภาษาบาลีมันหมายถึงความรู้สึก พอใจไม่พอใจสุขทุกข์จริงๆสุขมไม่ได้มีหรอกมันมีแต่ทุกน้อยหรือทุกข์ยังไม่มากพองานในภาษาบาลีเขาบอกว่า น, นี่นะสุขเนี่ยก็คือทุกข์ทุกข์น้อยทุกข์ที่คือเป็นสุขที่อาจจะเปลี่ยนมันทุกข์ได้ง่ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้จากการที่เราฝุกเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูกายมันก็จะเป็นเวทน า, าแล้วก็จรายละเอียดข้อดีก็คือจิตที่มันคิดนึก คิดเรื่องอะดีดคิดเรื่องอะนาคตคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนะหลงเมื่อมันคือมันหลงคิดไปนะคิดไปสารพัดคิดคิดฟุ้งซ่านไปในปฏิบัติแล้วจะลดความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นหลายคนบอกเะมาปฏิบัติแล้วนึกว่ามันจะสงบที่ไหยได้โอ้ฟุ้งซ่านเลยนั่นแหละดีความฟุ้งซ่านเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มันเป็นความเคยชินของเราที่เราเคยมีอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเพียงแต่เราไม่ได้มาดูก่ามัน ในชีวิตประจำวันเรามีอยู่แต่มันไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดหรมันคิดอยูว่าเรามีเรื่องราวอะไรที่เราจําเป็นจะต้องคิดนะแล้วมันก็ฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้จเจริญสติจเจนความฟุ้งซ่านแล้วก็จะเรียนรู้ความฟุ้งซ่านแล้วเมื่อเราเห็นความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันจะอ่อนกําลังลงความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีกําลังแรงหรือ อ, อ่อนตัวลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติที่เราฝึก ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราปิดไฟมุดเจอมันเข้าในบ้านเนี่ยถ้าเราไอ่หลับเราไม่รู้เจอมันจะลักขโมยแต่ไม่ได้คะแนนที่เรารู้รู้ตัวขึ้นมาเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอไม่รู้มันหนีทันทีเหมือนกันนาความฟุ้งซ่านอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าสติมันตื่นมันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะอ่อนกําลังลงทันทีเพราะใจของคนเราเนี่ยมันจะรับได้ทีละอย่าง ถ้าอารมณ์มครอบองำใจเมื่อไหอไรความรู้สึกตัวจะเข้ า, มา ไ, ไม่ได้แต่เมื่อใดความรู้สึกตัวเข้าอารมณ์ก็จะเข้าไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุบายหรือเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราเนะี่ยสามารถที่จะแปลเปลี่ยนมาอารมณ์หรือความคิดเนี่ยให้มาเป็นความรู้สึกตัวนาหลวงพ่อคำเชิญใช้คำว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เพราะนั้นจากกายเวทนาจิต ก็คือความคิดนั่นแหละความคิดปรุงแต่งต่างๆนานานะโดยจะได้ยิ่งในขณะที่เรามาฝุกนานะเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งหลายที่งหมดเลยความคิดดีความคิดมาดีก็ไม่ต้องเอาที่นหมดเลยกับมารู้สึกตัวอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การเดินทางของเราเร็ขึ้นมีบางคนบอกว่าการเทเลพยานา ลึกกรรมาฐานต้องดูความคิดตามความคิดมันคิดอะไรมันไปอย่างไงมันจบอย่างไงมันเกิดจากอะไรไม่ต้องมาทํางนินเลยเพียงแค่รู้สึกตัวแล้วกลับมากลับมารู้สึกตัวนะทิ้งความคิดมันไปการที่เรามาที่วัดป่าสกโตเนี่ยนะอ่าเราก็คงมีความเอ่อมุ่งหวังตั้งใจเหมือนกันนะที่จะมา หาวิธีการที่จะทํำยังไงให้เราหลุดพ้นมาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งวิธีการฝึกเจริญสตินาที่ที่เราทํากันเนี่ยนาก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราหลุดพ้นาจากความทุกข์ทางใจได้และเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยนาเป็นสิ่งที่สามารถจะทําได้นะขอให้เราเพียงแต่ว่าอันแรกให้เรามีความศรัทธาก่อนเนาะ มีความศรัทธาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยมาพูดถึงความศรัทธาให้มีความศรัทธายมีความเลื่อมใสในพระสงค์คําว่าประสงค์ไม่ใช่การปฏิบัติที่ดีไม่ใช่ประสงค์คืออันนี้นะอันนี้เป็นสงสมุตดก็คือการปฏิบัติที่ดีการเจริญสตินั่นเองให้มีความศรัทธาให้มีความเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงแล้วต้องปฏิบัติจริงๆแล้วก็ทําได้จริงจริง นะฮถ้าเราไม่มีความเชื่อเรายัางสงสัยยัยงเล่นนะนะมันก็ไม่ลงมือสักทีหรอกนะเราก็ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งยสินตรงนี้มันก็ประมาทนั่นะแหละนะที่นี้พูดถึงแม้แต่เจริญสตินีนะ่ยเราเริ่มที่กายนะให้มีความรู้สึกตัวที่กายก่อนพอความรู้สึกตายบ่อยๆทันบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกนะี่ยมันจะเด่นเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจความเป็น ป, กปุกติอะไรอย่างนี้น แล้วก็ปเป็นจิตที่มันคิดนึกต่างๆคิดสารพัดเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดโอ้โหมันสารพัดที่อยากคิดทีนี้ในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยคนที่ติดคิดวิชอดคิดนั่นคิดนี่เนี่ยมันจะแสดงออกมาเลยโอ้โหมากันทรักทะรวมเลยนะอันนั้นจะไปเข้าใจว่าเราทําผิดทาง น, นั่นนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้มันมเขาเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัด ที่จะแสดงตัวออกมาการฝึกเป็นมาตรฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ทำไปเรื่องเงียบสมมงบไม่คิดอะไรให้ไม่เกิดปัญญาเป็นมีความสุขนะมีความสุขชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ถ้าให้มันแสดงตัวออกมาแล้วเราก็ดูมันเห็นเมฆกลของมันเห็นกลุ่เลื่องของมั น, ม, น, ม, ม, นมันชวนให้เราดีใจเสียใจชวนให้เรามีความสุขมีความทุกข์เมื่อเราจิตกลไกเหล่านี้ และปัญญามันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นทั้งส่วนกายเห็นทั้งส่วนจิตเนี่ยมันก็เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปกระทบนะเช่นตาเห็นรูปที่สวยงามพอใจไม่พอใจหวีดีนเสียงที่เพลาะพอใจเสียงไม่เพลาะก็ไม่พอใจนะตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรารู้ว่าธรมมธรมะก้นมาคำว่าธรรมะนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจของเรานี่แหละมันแสดงปรากฏออกมาทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจแต่ตอนเมือ่อเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เจริญสติไม่ได้กลับมาดูเนะี่ยเราก็จะหลงจมในความพอใจไม่พอใจแต่ถ้าเราเห็นแล้วเห็นอีกทําแล้วทําอีกบ่อยๆมันจะรู้สึกเราหนักกับมันเราแบกมันเราเป็นภาระนะตรงนี้มันก็จะเปิดการปล่อยวางขึ้นมาเองมาโดยที่เราไม่ต้องไปคิดปล่อยวางนะ การปล่างมันจะเกิดขึ้นกากการที่เราทําซ้ําล้วซ้ำอีกซ้ําล้วซ้ำอีกไม่ไเพราะนั้นคนนี้สุกใหม่ๆเนาะหรคนเก่าก็ดูนะสิ่งหน้าที่เรต้องเจอก็คือความทุกข์เพราะนั้นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแล้วสบายนะแะรกๆมันจะทุกข์ก่อนทุกข์ทุกข์กอะไรปวดเมื่อยนะเมื่อยมานฟุงา้งซ่านหงุดหงิดลำคาลสงสารโล คนเนี้ยทุกทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคนที่มามาวันนี้วันแรกนะนะเดี๋ยววั้ฝึกเต็มวันเนี่ยโอ้อส ม, มกุกมากทุกหนักๆเลยแบบอกไว้ล่วงหน้าก่อนมาไม่ได้แต่คนเก่าแล้วก็เจออันนี้เหมือนกันมาเพียงแต่นั้นหนักมันจะเบาเลงการเจอทุกเนี่ยเป็นข้อแรกในอริยสัจเห็นไหมที่ระบบที่พื่งที่ทแ ท, ท, ท้จริงก็คือต้องเห็นอริยสัจอย่างที่เราสวดตะกี้เนี่ยในอริยสัจข้อแรกคือทุก พอเห็นทุกข์เราก็ดูต่อไปเมื่อตื่นมาเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็เราหลงในอารมณ์หลงมานในความคิดเราไม่รู้ตั ว, วเราลืมตัวเออนี่ยมันจะเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการปลยวางขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนะนี่ยมันมันก็จะทําให้เราเห็นสภาพที่จิตใจที่เป็นปกติอย่งขณะที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนะี่ยถ้าเราสังเกตใจของเราดูไม่โกรธไม่เกลียดไม่สุขนม่ทุก ปกติเฉยๆใช่ไหมอันนี้คือธรรมชาติของเรามาตรงเนี้ก็เป็นสภาพที่เรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียก ว, ว่ามันไม่มีทุกข์มันแสดงตงัวมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพราะนัตรมนี้เนี่ยมันไม่เห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์การก้าวเรื่องออกจากทุกข์มาแ ล, แล้วก็หนทางางการที่จะปฏิบัติที่เราเรียกว่ามรรคมืองแปดซึ่งในมรรคเมืองแปดเนี่ยข้อที่สําคัญที่เด่นมากาก็คื อ, เ, อเรื่องของสัมมาสติ สัมมาสมธิมาแรกเลยนะก็คือการที่เราเห็นทุกข์นั่นเองพอเราเห็นทุกข์เราก็ดมลิที่จะออกออกจากทุกข์นะออกจากสิ่งที่มันหนักหน่วงนะตรงนี้เนะี่ยมันก็ทําให้เราเกิดการพัฒนาขึ้นมาพัฒนาจากการที่เราไม่เคยสนใจดูกายดูใจเราเล ย, เ, ลยเราก็ตัดมาดูกายดูใจของเราเราก็จะเกิดปัญญาจากการดูรู้สิ่งเหล่านี้จากความทุกข์นี่แหละที่เราไม่เกิดปัญญาขึ้นมา ท่านทิสท่านอังูว่าก <c oughs> ิเลสเนี่ยอาจเป็นพุทธะได้สิ่งที่เราเรียรู้คือสิ่งที่เป็นของที่สกปรกผู้เป็นขยะเราสามารถเที่จะแปลงให้กลายเป็นอพืชผลขึ้นมาได้หรือว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เราความทุกข์ที่เรามีที่เราเห็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาจากการที่เราดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนั่นเอง นาเพราะนั้นการจเจริญสติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะจะเหมือนกันอย่างนี้คือจะเจอความทุกข์ก่อนแล้วมันก็จะหาทางแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองครูที่ดีที่สุดคือตัวเร า, าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเต้รนจะเป็นผู้แนะผู้ชี้บอกทางไปแต่การเดินเราต้องเดินไปเดินไปด้วยตัวเองด้วยความศรัทธาละมีความเพียระมีสติ นะมีสมาธิมีปัญญาก็เรียกว่าภะละห้านั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็จะใช้ในการที่เราจะฝึกในระยะที่เราอยู่ที่นี่สามวันห้าวันเจ็ดวันก็ตามนะให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ด้่ยได้ยอดท้อนะแล้วลองมาพิสูจน์กันว่าจริงไหมที่พระเจ้าเจ้าใจแต่กล่าวไว้หลวนพ่อเทียนกล่าวไว้หลวงพ่อของเขียนกล่าวไว้อย่าเพิ่งเชื่อพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง ซึ่งตรงนี้เนะี่ยงานเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนะ่ยเราจะใช้เวลาเพื่อการพิสูจนความจริงอันนี้ถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วสิ่งนี้มันจะติดตัวไปตรง น, นี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเกิดการปล่อยวางเนี่ยจิตใจมันจะกลับไปสู่ความเป็นปกติมันจะกลืนสู่ธรรมชาติของมันอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นความเป็นปกติบ่อยๆเนะี่ยเราก็จะคุ้น กับใจที่เป็นปกติแต่ก่อนเนี่นเราไม่เคยคุ้นกับใจปกติเราไปคุ้นกับสุขๆุทุกๆุนะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดนะ่สุขสุทุกทุกนมันชัดแต่ปกติมันไม่ก็เห็นนะ ม, มันมันค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันทำให้เราเนะี่ยมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันทำให้เราไม่มเป็นโลกประส า, าความเป็นปกติของใจเนะี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเรากระหายน้ำเนี่ย ส่วนใยาวเราก็จะต้องหาน้ำที่มันมีรสหวานบ้างรสเปรี้ยวบ้างรสชาติมันชนัดเจนแต่น้ํำจืดๆเนี่ยเราไม่เข้าใจคุ้นแต่สุดท้ายจะกินเปรี้ยวกินหวานมันมาจบที่น้ำจืดๆเหมือ น, นการเราสุกหรือเราทุกข์มันมาจบที่ปกตินาซงอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะนั้นการที่เรามาเจริญตีน้ำมันจะเห็งืาอเป็นปกติของใจได้บ่อยๆเมืเยอย่อเห็นความเป็นปกติบ่อยๆคุ้นตรงนี้บ่อยๆเนี่นะ พออะไรเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจสุขทุกปัญญาแล้วเนี่มันจะปรับตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นสตินี่จะเป็นตัวปรับสมดุลทาให้ชีวิตของเรานะมีสันติสุขสันติสุขก็คือปกติสุขนนั่เอ ง, เองซึ่งตรงนี้แหละหน้าที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนะี่ยสามารถดารงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างเป็นปกติสุขแม้ว่าภาริบัตรอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นสังคมจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็จะทุกข์กับสิง่งรอบล้อมแต่เมื่อเรามีตรงนี้ข้างนอกมันจะแปลเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็ยังมีหลักกับตัวเราเองมามีสันติสุขที่เกิดขึ้นในใจเรามีสติเป็นที่พึ่งนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงที่เราสวดไปเมื่อสักครูน่นี้ที่บอกว่าเมื่อเกิดภัยต่างๆเราคนสมัยก่อนก็ได้พึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้พึ่งอะไรแต่สุดท้ายก็บอกไอ้นั่นมันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริง ที่พึ่งพีแท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการเห็นอริยสัจําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธฤๅษนะไม่ใช่คำภีไบลานะไม่ใช่พระสงฆ์สมมติด้วยนะแต่พระอรตนาไตที่แท้จริงก็คือพระพุทธกุศลผู้รู้ผู้เติมพระบทวันสติปัญญาที่เกิดจากการฝึกนั่นแหละพระธรรมคือเศรธรรมความจริงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีที่มันแสดงตัวแล้วเราเห็นมันนั่นแหละ จะมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ะผสมก็คือการปฏิบัติการเจริญสติของเรานี่แหละจากพระตรรมเตายที่แท้จริงตรงนี้น่ยก็จะทำให้เราเห็นอริยรสัจสี่ขึ้นมาและตรงนี้แหะคือที่พึ่งที่แท้จริงที่จะทำให้เราพบกับสันติสุขนในจิตใจของเราแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตในออสภาพการต่างๆได้แลวเราก็พร้อมนะที่เราจะทำงานเพื่อสังคมเพื่อสร้างสรร สังคมไม่มีสันติภาพขึ้นมาเราคงไม่เก็บเงี้ยเก็บตัวถ้าสังคมต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเหลือได้หรือเรามีหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดนะการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเพื่อหลบหลีกหลีกหนีการงานแต่เรามาเพื่อฝึกฝนตัวเองเพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญเผชิญกับการงานในโลก ยาที่มันเป็นอยู่โดยที่เรายังรักษาใจที่เป็นปกติได้ใจที่เป็นปกตินี่แหละเป็นใจที่พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะทําสิ่งที่อยู่เฉพาะมากเราที่เรียกว่าหน้าที่เพระนั้นการมาจเจริญสติก็จะเป็นการพัฒนาบุคลากรไปด้วยพร้อมกันแล้วก็เป็นการพัฒนาหน่วยงานพัฒนาองค์กรพัฒนาประเทศชาติพัฒนาโลกไปพร้อมกันเพราะนั้นเพียงแค่เราทําอย่างเดียวเนี่ย ผลมันเกิดมากมายหมหาสาลเลยซึ่งไม่ใช่ลร่องเล็กน้อยบางคนอาจจะเห็นเป็นเ่อเล็กน้อยแต่จริงจริมันเกิดผลมากเลยถ้าเราทําให้เกิดผลกับตัวเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานว่าเมื่อมาวัดป่าสุกโตเนี่ยให้ถึงเรื่องนี้มากๆทําในรูปแบบให้มากๆนอกจากในรูปแบบแล้วอย่าลืมในกิจวัตรประจําวันการจเจริญสติเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ตัว ผมที่มาได้ฝึกมาเนี่ยบางทีเน่ยมันเนิ่นช้าเพราะว่าเราไปทําแค่ในรูปแบบคืออดินหนัดิจริงเลยนะสร้างคำว่าสร้างกันจริงทํามันจริงนะแต่พอหมดเวลาไป น, นั่งคุยกันไปสวมเสื้กันโทรศัพท์บ้างอะไรบางหมดไปเลยความรู้สึกตัวที่ฝึกมาเน่ะหายไปเลยเพราะฉะนั้นตรง น, นี้มันก็เลยทําไม่แน่นช้าเพราะนั้นคนที่ทานั้นเนิ่นช้านี่ยให้รู้ตรงนี้ ถ้าเราพยายามแไงพยายามปลีกวิเวกแล้วก็พยายามเก็บตกกับกิจวัตรประจำวันให้มีความรู้สึกตัวหลังจากเราทำนอกรูปแบบแล้วเดินกลับไปที่กุฏิเดินไปสาราหน้าให้มีความรู้สึกตัวในทุกอย่างเต่านะแล้วก็ตักอาหารด้วยความรู้สึกตัวกินข้าวด้วยความรู้สึกตัวข้างน้ำด้วยความรู้สึกตัวก็คือใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย มันจะมีคิดเพ้อแสไปช่างมันทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยต่อนื่นเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยถ้าจะให้ผลให้ได้ผลดีมันต้องเจริญติอย่างต่อเนื่องอาจารย์ไพศาลเคยเล่าฟังว่าตอนไปฝึกกับหลวงพเทียนใหม่ๆถามันวง่อเทียนว่าจะต้องทํากี่โมงเลิกกี่โมงหลวงพ่เทียนบอกทํานน้ำกระติ่งยันหลับนะคำว่ากะติ่งยันหลับนี่ที่ไม่ได้หมายถึงไม่รูปแบบไต้องติ่งยันหลับนะ ในรูปแบบมันก็มีแต่รอบรูปแบบก็มีเช่นพอเราตื่นเนี่ยให้เรารู้สึกตัวอาจจะพลิกมือเล่นหายใจให้รู้สึกก่อนนะแล้วก็ลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวพัดผ้าเรียบง้อยด้วยความรู้สึกตัวงาลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวไปล้างหน้าด้วยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวบางทีเราแปรงฟันเกตบไหมแปรงไปคิดลงนู้นคิดลงนี้จะทำนู่นทานี้ เราไมไ่อยู่กับนิ้วกับตัวทีนี้เราใหม่นะเราไปอยู่ที่ลองดูที่แปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวเออเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยเราแปลงฟันเนี่ยเรารู้สึกกับมือที่มันเคลื่อนไหวนะเนี่ยไม่เกิดการ เ, าเจริญสติในในกิจวัตรประจําวันนะันึ่งห่มด้วยใส่เสื้อผ้าใ น, า ใ, น, ใ, นในพระบาลีก็พูดถึงว่านึง่งห่มชีวานสังคติอั น, น, นสําหรับพระส่วนใหมก็คือนึ่งห่มเสื้อผ้านั่นเอง ด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็เดินมาสม า, ามาเรื่มทําวัดขณะตะกี้เนี่ยทําัดเนี่เราสังเกตนะบางทีมันสวดตันเราคิดแว่ไปนอกเออแล้วก็ดึงกลับมาเนะี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกกับสิ่งที่เราทําอยู่เฉพาะหน้าได้ในกิจวัตรประจําวันถ้าเราทำได้อย่างนี้บ่อยๆนะเราจะสังเกตแล้วว่าความรู้สึกตัวมันจะมีการพัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นเราก็จะเห็นชัดขึ้น นะัซึ่งตรงนี้เนี่ย เ, เจ้าองก็พูดไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าผู้ใดเจริญสติประถานสอย่างต่อนเนื่องอย่างนานเจปีอย่างกลางเจเดือนอย่างเร็วที่สุดเจวันนะอ น, นสงน์นี้เป็นพระอารหาันต์หรือพระอนาคามีแต่เราไม่ต้องไปถึงขนาด น, น, นั้นหรอกเอาแค่ ทุกเนืเ้อลงได้เอาลนะหลวงพ่อเทียนจากประสบการณ์เมื่อนี่สองคนมาเป็นพันคนเนี่ยท่านบอกว่าถ้าจเจริญไปอย่างต่อเนื่องนะภายในสามปีอย่างนานอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่ ง, งวันถึงเก้สิบวันความทุกข์จะลดลงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้แล้วก็น่าท้าทาย น, น่าพิสูจน์และเป็นเป็นคนยุคสมัยเดียวกับเราอะ่ะแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจ จะเจ้าพูดจริงหรือเปล่าหรือมาเขียนเงินทีหลังแต่เตัเลาไม่เทียมจริงจท่านมาแล้าภาพไปแล้วแต่มาก็ได้โอกาสไปเรียนรู้กับท่านเราต้องจะพูดกันอยู่เรื่อท้าทายอยู่เรื่อยมานราก็ลองพิสูจน์ดูเออเหมืนก็ได้ผลเหมือนจริงๆอย่าง ง, ง้ยายๆก็รู้จักรูปน้ำเนี่ยความทุกข์กับลดลงเนี่ยงาเพราะฉนั้นตรง น, นี้เนี่ยถ้าเราทําอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเราต่อเ น, นื่องเป็นลูกโซ่อนะทั้งตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบตรงนี้เนะี่ยงานมันจะเกิดผลขึ้นมาซึ่งผลไม่เราจะไปหวังมะนะพูดไปล่ลบวโหดินคุณจะหวังเอาจริงเนะอาจังมากอย่าไปหวังผลมันเกิดขึ้นมาเองมันตกต้นไม้อะราเมล็ดไปลงรดน้ำพรวนดินใส่ตุ่นแล้วมันโตขึ้นมาเอง เ, เราเป็น เ, นเลืเ่งที่มันโตไม่ได้นั้นการจะริยสติเนีบางคนบอกโ อ, จอ้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะรู้สึกตัวให้ได้บางทีมันเครียดเกินไปอนะก็ทํำสบาย แต่ทุ่มเรื่อยๆนาเล็กๆก็เพิ่งบ้างหนักบ้างไม่เป็นไรนาปรับเอาหนักบ้างเบาบ้างนาเป็นศิลปะหนึ่งเหมือนกันที่เราจะได้เรียนรู้เพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องที่สามารถทําได้แต่มันยากตรงไหนรูนะ้ไหม้าทีอตมาเคยประสบกับตัวเองก็ดูและสังเกตจากผู้ปฏิบัติมันยากตรงที่มันทนกับความยากลําบากไม่ได้เช่นทําแล้ว มันเนื่องมันฟุ้งซ่านมันเบี้ยวซ้ำๆซักๆายกอยู่นั่นแหละมันไม่อะไรเลยไม่เอาเพอแล้วทำสักชั่วโมงก็ยังเลิกแล้วไปนอนดีกว่าไปหาเรื่งคุดีกว่าไปทำเมื่อห่มื่อไหร่ดีกว่าทำเนื่อพลาดไงเพราะนั้นมันมีวิธีเดียมอกับมันเลยมันเริ่มียนท่ามันเลี้ยมันมันเลี่ยงนะเลยอมันเลยสารยาประจุเลยนะกลางวันไม่นอนกลางคืนนอน บางคนเน่ทำนิดน ไ, นมนไม่ไหวหน่อยก็มันพอไม่ไหวแล้วนอนดีกว่ายอมแพ้เนี่ยตรง น, นีน้ถ้าเราใจแข็งสื้อเลยกันมานนะเดี๋ยวมันเตือนที่สุดของความเม่วยคือความตืน่นถ้าเราเจอตรงนั้นแล้วโอ้โหมันสนุกละยิ้มเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันไม่เ ม, มื่อยก็มีอารมณ์ที่ตื่นก็มีอารมณ์ที่เป็นความสุขก็มีมันไม่ใช่มีแต่นหนักๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเพืที่ยังไม่ยอมนมือหรือ อาจจะยอมแพ้เนี่ ย, ล, นนยลุกขึ้นมาดูเองมันเลยดูรับคนใหม่นะพรุ่งนี้เต็มที่เลยสองวันอย่าง่สองวัน น, นะเต็มที่เลยนะคนเก่าก็พยายามน ะ, ะคุยกันน้อยใช้เวลากับเรื่องนี้ให้เต็มที่นะส่วนกิจกรรมส่วนรวมเราก็ช่วยกันตามสมควรเมื่อมีเวลาร่างแต่ไปหลับนอนกลางวันเนี่ยนะไม่จำไปพูดคองคุยมาก ใช้เวลามาทำรูปพวกนีเถอะนะอย่างไรนะ อ, อยู่ไม่ติดตัวไปถ้าเราจะเดือดเป็นพระอยู่ก็ดีที่จะสึกไปก็ดีมันติดตัวไปจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะที่มาวัดป่าสกตอแล้วได้มาเรียนรู้รู่มพวกนี้ติดเอาไว้เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตในโลกต่อไปส่วนคนที่อยู่วัดก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังใช้ในใ น, ในวัดของเราได้นะนี่นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ให้พิจารณาเนาะ ตามตามแต่ใจเห็นสมควรมานะว่าอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะก่อนํำเสนอในออขั้นคืนวันนี้นะโดยสรุปแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามานะร่วมกันนะมาเจริญสติมานะถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อในโอกาสเทศกาลวิสาขาบูชาอันนี้เป็นการบูชาที่สูงสุดนะปฏิบัติบูชานะไม่จำเป็นก็จะต้อง เนอาทิตหน้าเราเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะแล้วก็ทําต่อเนื่องต่อไปในชีวิตของเราณนะตรงนี้เนะี่ยเราก็จะได้มีสันติสุขในชีวิตโดยู่ในโลกมาหาสตังเพื่อเลี้ยงตายแต่อยาลืมหาสติเลี้ยงใจด้วยนะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะอะไรท้ายที่สุดนี้านะก็มีเมตุคุณของพระสีรัตนตรนะก็เกิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานนาะที่ก็คือสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฝึกฝนนั่นเองพระธรรมคือเศรธรรมความจริงที่แสดงที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันที่เราเห็นด้วยสติด้วยปัญญาและประสบก็คือการที่เราฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองด้วยความเพียรพยายามความอดทนนะก็ให้ทุกท่านได้ประสบพบนาะกับความเป็นปกติสุขนาะตามสมควรแก่การปฏิบัติ โดยทุ่นากันเทินเจริญพร